เสขาปฏิปทาธรรมิกถาก่อนฟ้าสางวันที่10มกราคมพศ2547เรื่องอนาปานาสติตอนที่1โดยพระอาจารย์สมพบโชติปัญโยคื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจ แลกความผาสุกทุกประการเขาจะบางเกินมีแด่เพื่อนเสขะปฏิปทาชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เขาเชิญท่านบาลเมืองลงซะนั่งในอิธิยาบทที่ผ่อนคลายทั้งกายและใจเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่เราจะได้พูดได้ฟังกัน ทางด้านเทคนิคและวิชาการข้อวัดปฏิบัติอันพึงกระทาความเข้าใจบทสวดสาธยายที่เราสวนมาเมื่อกี้นี้เป็นพระธรรมที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาพน ผ, ผมอุตสาเรียบเรียงทอดจากสูตรต่างๆมาร้อยรวงเป็นพวงเป็นพุ่มเป็นพวงอันหนึ่งอันเดียควคัน มาเป็นเป็นเป็นเป็นประการเป็นสูตรให้เราได้สวดได้เห็นมันไม่ได้อยู่แห่งเดียวกันในพระไตรปิฎกกระจัด ก, กระจายอยู่ในส่วน ต, ต่างๆของสังยุตตนิกายอ า, า, านาปานสังยุตหลายสูตรอยู่ในตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้จบทุกสูตรผมควักเอาแต่ส่วนที่มันสําคัญมาสอดประสานร้อยรวงเหมือนโฟมอะไรแห่งศีลแห่งธรรมจะเรียกว่า อาณาปานาสติรัตนะมารีประกอนก็น่าจะได้แต่ว่าพูมอะไรอันอันงอันงดงามแห่งอาณาปานาสติซึ่งมาประกอบกันอยู่ตรงนี้เพื่อให้พวกเราได้ไ ด, ได้ได้เข้าใจศึกษานำประสูบการณ์ตัวพิชปฏิบัติเราส่วนมาจนจนเกือบเหนื่อยผมก็เหนื่อยแล้วเพราะผมไม่มีเสียง ให้เราได้เห็นว่าอันนี้เป็นเทคนิคเป็นข้อปฏิบัติทางสมาธิภาวนาที่พระศาสดาประกาศยืนดันแล้วก็ยิบยืน่นมให้แก่พวกเราครั้งแรกท่านจะบอกว่าถ้าบอกการปฏิบัติชช่นที่มีสติในลมหายใจเข้าหายใจออกนี้มันเป็นข้อปฏิบัติที่ ไม่ลำบากไม่ง่ายแต่ทาให้เกิดความสุขด้วยสดชื่นแจ่มใสด้วยสันโตปนีโตเจวะอาเสจนะโกสงบปลานีตอาเสจนะโกผมแปลงง่ายว่าชื่นใจ ทำแล้วมันจะชื่นใจความจริงคำนี้มันแปลว่ามีสติยังในตาให้เ อ, อบอิ่มและร่างกายให้สดชื่นฟางง่ายๆ ไ, ไปว่ายังจิตใ จ, จและหน้าตานี่สดชื่นเบิกบานแจ่มใสง่ายๆหน้าชื่นตาบานถ้าเราเจริญเข้าตามหลักแล้วมันเจริญแล้วจะทำให้บุคคลนั้นหน้าชื่นตาบานซึ่งมีมีข้อสรุปรวบ่ะ อาเสจนะกองเขาเลยแปลว่าชื่นใจเหมือนอาบน้ำโดยไม่ต่ออาบเย็นสบายสดชื่นหน้าชื่นตาบานแจ่มใสบ่ว บ, บานท่าท่ากระทโถกแล้วท่านยังดังยังเปรียวให้เห็นว่าเมื่อฤดูท้ายๆของฤดูร้อน ปัจจิเม่ขิมหานางมาเสเหมือนเดือนท้ายๆแห่งฤดูร้อนเดือนไหนอาจจะเป็นเดือนสี่เดือนห้าก็ได้ฝุ่นทุเรีและอองย่อมฟุ้งขึ้นจะไปที่ไหนก็ย่อมเห็นฝุ่นเห็นทุลีเห็นและอองมันจะมีฝนมากเดือนนั้นแล้วเกิดมีฝนฝนตกนอกฤดูด แต่มีหนังมหาการเมโคถานาโซอันตรธาเปสิบุัตเมติกเหมือนฝนฝนใหญ่ในสมัยไม่ใช่กางมันก็ว่าฝนนอกฤดูฝนหลงฤดูดเข้ามาตกลงมาในหน้าร้อนเดือนเดือนสุดท้ายนีย่จะทำให้ฝุ่นทุลีและอองที่ฟุ้งขึ้นสงบไปเพราะถูกฝนฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อบุคคลได้เจริญอาณาปานสติแล้วหากก็ททำให้ดีด ความคิดที่เป็นฝักฝ่าแห่งอกุศลกามวิตกคิดไปถึงเรื่องกามพยาบาทวิตกคิดไปถึงความเบียดเบียนโกรธเคืองปฏิฆะขุนเคืองปี่หิงสาวิตกความคิดที่จะเบียดเบียนกระทำร้ายทําลายด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสิ่งเหล่านี้เ้าเรียกว่าอากุศลยธรรมเมฆอกุศลธรรมอาดามก เกิดขึ้นแล้วจะอันตรธานไปด้วยการเจริญอานาปานสติขึ้นมันจะสงบและท่านยังบอกว่ายืนดังว่าแม้เราเองเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ตัดสรู้จะเป็นพระโพธิสัตว์โยมอาหารปีสุทังพิคเวปุเพปรสสัมโพธะอนาัพิสัมพุทโธโพธิสโตวะขออภัยคงจะไม่ต้องพูดภาษาบาลีอีกซ้ำมันมีอยู่แล้วในหนังสือผมเหนื่อย ดูก่อนภิสูจทั้งหลายได้ยินว่าเมื่อก่อนแห่งการตััสรู้เมื่อเรายังเป็นโพธิสัตว์โฉมเราย่อมเป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมคือมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอานณาปณสติสมาธิและยังยืนยันต่อไปว่าเมื่อเราเป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากแล้ว ในวเมกาโยกจิลมติน่าจะคู่นี้อนุปาถทจะจะมีอาสวะหหติต่างวิบูตรญาติกายของเราก็ไม่ลำบากตาของเราก็ไม่ลำบากจิตของเราก็ลุกผลจากอาสวะทั้งปวงเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ฝากต่อไปทีนี้ห ย, ยืบยืนนะ เมื่อกี้นี้ยืดดันลที่นี่ก็หยิบยืดแต่สมารเาเิหเตเพราะฉะนั้นแหละพิกสูทั้งหลายพิกขงเจปีอากังเคยจะ้ะถ้าเธอทั้งหลายจักพึงหวังว่ามีควาท่านะเจเจเจในไปวาท่าภาษาบาลีคำเดียวเจก็ตรงภาษาไทยวาท่าตรงกับภาษาฝรั่งว่าอีฟนั่นแหละ อิปฮอสเปิลถ้ามันจะเป็นไปได้ถ้าเธอจะพึงหวังว่ากายของเราก็จะไม่ลำบากตาของเราก็จะไม่ลำบากจิตของเราก็จะพึงหลุดพนจากอาสวะทั้งปวงเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วใสอายมีวะอาณาปานสติสมาธิสาธุกลางมรรคกาตาภพ เธอจงกระทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอาณาปานสติสมาธินี้แหละเกิดจะไม่ต้องอธิบายในสวดนี้สมบูรณ์แบบเจอแล้วปากกาดืนดันว่าพระองค์ได้ตัดสู้ได้บําเพ็ญมาคือการเจริญอาณาปานสติแล้วก็หยิบยื่อ ในส่วนนี้แปลว่าหยบหยบยืบย่นทักชวนพวกเราเชิญชวนวิงบอนหยบยืบย่นพิสูจทั้งหลายเพราะฉะนั้นแลถ้าเธอทั้งหลายจะพึงหวังว่ากายของเรานี้จกไม่ลำบากตาของเราก็จะไม่ลำบากคิดของเราก็จะพึงรบผลจากอาสวะทั้งปวงเพราะความไม่ยึกมั่นแล้วใส่ เธอจนกระทําไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอาณาปานาสตินี้แหละพูดถึงตรงนี้พวกเราส่วนมากมั่จะเข้าใจว่าอาจารย์สมภพเพราะเจอนั่งสมาธิมากยิ่งแต่เมาพลาดเข้าใจผิดมากนะครับถ้าผมได้อยู่กับอาณาปานาสติไปตลอดไม่มีใครมารบกวนผมมากไม่ใช้งานมันมากผมไม่ไปนอะไร เขามีความสุขมากเพราะการเจริญอาณาปกสติมันช่วยให้สุขภาพดีทั้งกายทั้งใจมันเตรียมความสดชื่นไว้ให้การทำงานทุกขณะทุกเวลาพร้อมที่จะทำงานได้ทุกอย่างแต่ถ้าใช้งานมากๆบริหารไม่พอมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพราะอะไรบอกได้เลยว่าอาภาษณนี้ ไม่ได้เกิดมาจากการนั่งสมาธิมากๆแต่อารพาตนี้เกิดมาจากการขาดแขนเวลาที่จะเติินสมาธิอนาปานสติเกิดมาจากการใช้งานไม่ส ม, ม่ำเสมอไม่บาลันซ์กันใช้งานมากมิสมะปริหาราอาภพาธาอารพาอันเกิดมาจาก การบริหารการนำไปไม่สม่าเสมอไม่พอดีนั่งแสดงธรรมมากๆนั่งเดินทางไกลๆอย่างวันที่ยี่้าที่ผ่านมานั่งรถหนึ่งพันสามสิบกิโลไปกลับจากการไปแสดงธรรมที่อำเภอตาพญยาจังหวัดสระแก้วกลับมานอนไม่หลับ เจ็บปวดร้าวมากในข้างหลังไปหาหมอไปหาคลินิกไปโรงพยาบาลถึงสามแห่งหมอบางแห่งตอบอย่างไม่เลงเลยเลยว่าท่านเป็นมุ้งต้องชีจาระงับการปวดนิ่วแล้วก็เอาเงินแล้วก็เอาเงินให้เขาแล้วก็จัดดาให้เขาเนีนึกต่อไปว่าเออถ้าเป็นมุ้งจริงๆเราจะไปผ่าที่ไหนท้องนี้ไม่มีที่จะผ่าแล้วมีแต่รอยมันพุ่นไปหมด มามก็ถูกตัดทิ้งไปแล้วขาสองข้างก็หักมาแล้วท้องเขาเลยจะไปผ่าตรงไหนแต่พอไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วก็ไปอุนดาซาวที่ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สกลนครใหม่หมอบอกว่าไม่มีอะไรเลยไม่เป็นอะไรนิ้วก็มันเป็นทั้งไตสายไตขวาก็ไม่มีในกระเพาะปัสสาวะก็ไม่มี ตับก็สวยตายก็งามโอ้มันจะไปงามมาสวยอ ย, ย, ย, ยู่ภายในนะมผมเนนะแต่ข้างนอกเลยขี้เละที่สุดในโลกมองว่าตับสวยตายงามมากโอ้คือจะไปงามอยู่บนหลักแผ่นมองกรไปด้จะไปเห็นน้ำหนกโอ้อจะไปเอาภาพติคือจะหาา่างงามก็งามทั้งนองในก็ไปได้นอ่องขี้ลายลื่โลกเขาบอกว่าตายของท่านกระทบกระเทือนมาก มันเป็นในกล้ามเนื้อมันเกาะปวดเพราะนั่งรถไปไกลคนก็ร้างรถก็พังทางก็สุดโทรมก็พอดีกันนั่งรถตู้คันเก่าๆนั่นแหละใช้มาพร้อมกับเราป่วยมันกระแทกตังๆผมมั่นใจว่าถ้าผมมีเวลาอยู่กับตัวคนเดียวตลอดเจริญสมาธิภาวนาไปอย่างนี้ ผมมีความสุขมากผมไม่ได้กลัวใขรเจ็บอะไรเพราะที่ท่านบอกเราเมื่อกี้เนี่ยท่านบอกอาจะเมวะพิกเวอาณาปานสติสาธุกัรมนศสิกาตาพองฟังให้ดีนะแปลว่าเพราะฉะนั้นแหลถ้าเธอไม่อยากให้ร่างกายนี้ลำบากตาของเธอไม่ลำบากจิตของเธอจะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวง เพราะความไม่ยึดมั่นแล้วใส่เธอจงกระทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอานาปานาสตินี่แหละแต่หอาไรก็ทําไว้ในใจให้ดีๆตอนนี้เรามาเข้าสู่เทคนิกละเมื่อวานเราได้พูดกันค้างไว้ตอนเช้าแล้วก็มาพูดถึงเรื่องสมาธิเรื่องฌานซึ่งเป็น แก่นเป็นแกนต่างของเสขาปฏิปทาของจรณนะตอนเช้าเราพูดถึงสมาธิภาวนาคืออะไรทำไมจึงต้องมาเจริญสมาธิภาวนาและเจริญสมาธิภาวนานี้เพื่ออะไรแล้วก็มาขางไว้ว่าเจริญสมาธิภาวนานี้โดยวิธีใดตอนเย็นเมื่อวานเสิร์อนุสนธิต่อมาว่าเราได้พูดกันถึงเรื่อง จาระณะข้อที่ว่าฌานจเจริญฌานทั้งสื่สี่ในสิบห้าของจารณะแล้วเรามาพูดดรวยงว่าฌานนั้มีอะไรบ้างคำว่าฌานคำเดียวมันแปลว่าเพ่งแล้วก็มาแยกคำว่าเพ่งออกเป็นสองเพ่งอย่างหนึ่งอารามณมบนิชฌานเพ่งดูอารมณ์ ให้เกิดสมาธิอันนี้เป็นสมาถะและว้วก็รักขนันงปนิชฌานเพ่งดูลักษณะให้เกิดปัญญานี้เป็นวิปัสนาทั้งสองนี้แหละจะเป็นฌานและมันจะอยู่ในอานณาปณสตินี้ทั้งหมดไม่ไกลหา่างมือก็อยู่แค่เอือมถ้าเข้าใจที่สวดมาเมื่อกี้หนึ่งจบ เจตุ ก, กากเดียวยังเหลืออีกสามเอาส่วนมา น, นี้เดียวเพื่อให้รู้ว่าอันนี้เราพูดถึงเรื่องอารามนุปนิสถานนะมาจบอยู่ตรงนี้อารามนุปนิสชานนะเริ่มจากข้อที่ห้าไปเปิดดูตามหนังสือเราปีติปริสังเวทีสุขบปฏิสังเวทีจิตสังขาลังปริสังเวที พระสัมพันธ์ยังจิตทางกลางลำปุริสังเวทีไปนี้เริ่มบนี้เป็นเป็นลักขนุงปุิชชาติฟังให้ดีแล้วก็อ่านหนังสือไปด้วยก็จะดีของก็จะไม่ได้นื่อยพูดมากผมเนื่นไงสุดท้ายท่านก็ตั้งเขาทําถามขึ้นมาเอกว่ากระถังพิกเวพวีตาพระโมริกาธาไอ้กระถังนึงไปว่าอะไร what is it กระถัง การหางูรือยัไม่ใช่การหางูมันนะเแต่ประเด็นคือว่าอะไรทํำยังไงนะให้ว่าอานาคตสตินี้จะจะเดินอย่างไรจริงจะทําให้เกิดผลใหญ่อนนี้สงหญมหห่มหาพลาโหตที่มหาอนี้สร้างส้าย่อมมีผลใหญ่มีอ น, นี้สง่ายผลนี้เราคงจะไม่สงสัยว่ามันคืออะไรภาษาไทยภาษาลาวไม่ค่อยได้แปล บางคำพัตตาบาลีเราแปลงออก ม, มหาพลามาหาในิสั่งซ่าเราเรียกว่าพลาอันนี้สองเราทับศัพท์ไปแปลงออกความจริงพลาพลาพอพอพ อ, พอพึ่งพลานี่แปลว่าผลมห า, ล า, the great fruits, า, าพลาเด็กเกรดฝึกภาษาฝรั่งว่าอย่างนี้มาหานิส้างซา เด็ดเตยบิณสประโยชน์อันยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นผลอันยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นที่นี้ตัวนี้ตัวคำาอันนี้สองจริงๆมันคืออะไรมหานิสังสาอานิแปลว่าผลสังสไหลออกมหานิานิสังสา รวมความก็เป็นอันหนึ่งสองจากการแปลงจากบาลีเป็นไทยเมื่อแปลแล้วจะได้คําว่าผลที่ไหลออกมาไม่ขาดจากเหตุที่กระทานั้นนั่นแหละคืออันหนึ่งสองอะไรเป็นผลจากเหตุที่กระทำสิ่งนั้นชื่อว่าอันหนึ่งสองอะไรใช้ได้ประโยชน์มากนั่นมีอันหนึ่งสองมากท่านบอกว่าทําอย่างไรจึงจะมีผลใหญ่เมียอนหนึ่งสองใหญ่ จะเรินอย่างไรแล่ท่านก็ชี้ลงไปเลยฟังให้ดีนะมันจะมีส่สองเมื่อกี้นี่เมืม่อเมื่อคืนในเลยผู้ว่อาอนาปนาสติจะมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งแบบง่ายๆแบบธรรมชาติแบบสอนแบบเทคนิคตามลำดับที่ท่านสอนเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเทคนิคนะแ ต, แต่ข้อที่หนึ่งลมยาวข้อที่สองลมสั้น ข้อที่สามรู้กันทางทางปวงข้อที่สี่ยังการให้ลังงับอันนี้เป็นลักขานงปณะนิชฌชานเมื่อได้การลังงับเข้าเมื่อนั้นแหละก็เข้าไปในฌานทันทีเลยส่วนเรื่องแบบธรรมดาอาศัายวาสนาเมื่อคืนก็พูดเลยวาสนาจนเหนื่อยวาสนาแปลว่า น, นิสัยตกตกค้างพฤติกรรมที่เคยชินด้วยการทามาหลายภพหลายชาติจะกลายเป็นวาสนา ผู้ใดมีวาสนาเคยทำมาก่อนหลายภพหลายชาติจะเป็นเรื่องง่ายถ้าเราทำแบบแบบธรรมชาติแบบธรรมชาติคือยังไงเมื่อกี้เราสวดว่านี่สีสติตปักาอภิสิตวาคู่ขาเข้ามาโดยรอบแล้วอุชุงกายอย่างบริสไ ย, ย่าปริมขุขังสติปัฏฐเปุะปุทะเทปะเททบาตั้งกายตรงดำรงสติมั่ง โซสโตัวะอสตติสตัวพระสตติเท่านั้นพอมีสติอยู่หายใเข้ามีสติอยู่หายใจออกโดยไม่ได้ว่าอะไรโดยไม่ต้องแฟนท่านโดยไม่ต้องยาวโดยไม่ต้องมีเทคนิค น, นี่แบบธรรมดาแบบว่าสนาถ้าผู้ใดมีวาสนามา ก, ก่อนทำม า, มากแต่ชาติของก่อนมันสืบสันดานมาผู้นั้นจะง่ายโดยไม่ต้องยาวไม่ต้องสั่ง ไล่ไปเฉยๆรู้ว่ามันเข้ามันออกแต่พูดก็ได้ไม่พูก็ได้จะว่ายุบหนอพองหน่อก็ได้จะว่าพุทธจะว่าโธก็ได้จะว่าแมวน้อยแมวน้อยก็ได้จะว่ากองยากรก่องกอกยาก้องก็ได้เพื่อนไม่ได้วันแดดตอกเพี้ยแตงมาไปเครื่องผูกเอาเป็นหลักผูกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคนมีวาสนาหน่อยหนึ่งในสมัยพุทธกาล มีพิสุกแกองค์หนึ่งหลวงตาโซนะพิขุเท่ามีชื่อว่าโซนะท่านบวชมาแล้วข้ากอบันเพมเพียงเจรณะสิบห้านี่แหละนั่งไม่รู้จะว่ายอย่างไงก็ว่าไปมัทีก่ก็นั่งก็รู้ต่ว่าตัวเองนั่งเฉยๆยืนก็รู้ใจจนเองเย็นบ้านเมืองสมัยก่อนไม่เจริญรุ่งเรืองอย่างนี้ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์มัสะดวสบายอย่างนี้ การมันอยู่รวมกันมากหาฮคนมาสนุดสนุสนสนกอย่างนี้จะยากที่สุดทำไมไปกับพระพุทธเจ้าในเพศขันธากะพระพุทธเจ้าพาเดินไปทีละเป็นพันพันสองร้อยห้าสิบูปมีคนกินเดมไ ป, ไ, ปไปตามไปองห้าร้อยคนเป็นพันเจ็ดฟุลตลกกบตลาดละลรนะไม่มีรถเคเดินไป จาราชคืบสาวถธีปาภ า, าสาเกตกับิลพัทไ ป, ไปจนครบรอบในงางโพูิ์เทยีเวลาเดินไปลองคิดดูคนพันเจ็ดร้อยคนจะขนาดไหนหัวอยู่ไหนหางอยู่ไหนไม่มีรถขี่ด้วยอาศัยอำนาจบุญญาบรารมีของผู้ธเจ้าจงึงไปกันได้พวกเครือหาบอดีมหาศาลผามหาศาลพวกโยมที่มีสถาทั้งหลายเอาเกวียน บรรทุกข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อตามไปเด้วนเดือนบางคนติดตามไปเอาเกือนติดตามไปถึงสองเดือนจีิจะได้ทำบุญไม่ไดคนแย่งกันทำเป็นกจภาพนั่นอาศัยบุญญาบุญยิ้มพระเจา้าแต่ถ้าไม่มีตัวพระเจ้าล้วก็ลำบากละ่ะ lacking everything แหละขาดแคละ่ะ วันนั้นคนมีวาสนาคือพระพุทโกแก่องค์หนึ่งมีชื่อว่าโสนะท่านเดบบินไปวินธาบาลในหมู่บ้านออกมาอย่างไปดามบ้านฝางบางกุจานน้องบุิมีดเดินออกมาไม่มีรถนะทุกอนนะเมื่อได้ข้าวได้อาหารพอสมควรแล้วก็าหาที่อันเหมาะสมที่จะนั่งฉันไม่มีวิหารไม่มีอาลามให้ใด้โตอย่างเมียงทุกวันนี้ ส่วนมากท่านมักจะเลือกโคนต้นไม้ริมหนองน้ําริมฝั่งน้ําริมคลองริมห้วยเมื่อฉันเสร็จก็จะได้ล้างบาตรล้างภาชนะจะได้ล้างจะได้ดื่มน้ําจะได้ทําสรีระกิจอีกส่วนให้มันสะอาดในเปที่สปายะที่เกื้อกูลแก่พระหลังจาบิณฑบาต มองเห็นต้นต้นไม้อันรม่รมร่มเงาอันงดงามมีน้ำมีธามีห้วยนอนคลองปุนก็จะนั่งลงฉันตรงนั้นแหละเมื่อนึกถึงเรื่อ ง, องนี้จะนึกถึงว่าโอ้บ้านเมืองมาสืบสิรทอดมาอย่างนี้ศาสนาของเราสืบทอดมาอย่างนี้อาตมาจึงเขียนเป็นกล่าวเป็นกอนขึ้นมาว่าต้นกำเนิดแหล่งน้ำเกิดจากป่าดงหนาต้นกระแสธรรมจะเจริญญาเมตตาสองทะลลงไป สัต่อาศัยสนพ่งไพ่สืบเผ่าพันแล้วโลกจักเย็นอยู่หงอนสังโคเจ้าแพรผารรำแง้มใดสงอยู่ดังเที่ยงครูอรัญญาอรัญญาไปว่าป่าได้แอบอิงสายท่าราปองแปลกระแสนม้มอาศัยลูกโคดาวภาวน่าเพียงรมเผยแพรถรำพระเจ้าแง้มนันโลกซุมเย็นคำพูดนี้เป็นคำพูดใหม่ แต่ย้อนยุคพู้ตการอดมาคิดว่าแต่ก่อนพักอยู่เต็ในป่าอาศัยลุกโโหดาวภาวนาเพี้ยนพำอาศัยป่าลูกโโหลูกโโหลูกโโหไปว่าป่าต้นไม้ในที่เราชวนมิคีดนี่ว่าอะไรเนี่ยค่ะตว่าไปเลสู่ป่าก็ดีป่านั้นไปที่ภาวนาไปเลสู่โคนไม้ก็ดีไปเลสู่เรือนบ้างก็ดีนั่งเ่าเวาเพียงท่าน อาศัยลุกโขดาวภาวนาเพิจาทณ์เผยแผ่ธรรมป เ, เ, เจ้าแง่มนั้นโลกซุ้มเย็นนี่เรามาอยู่ในลุกโขดดาวอยู่ในป่าแล้วก็นั่งภาวนากันแล้วก็ประกาศธรรมกันที่นี่ตัวนี้จะเป็นต้นกระแสธรรมแห่งต้นกระแสธาราแห่งธรรมจริยาสมัยก่อนท่านใช้คำว่าธรรมจริยาเรื่องนี้มันเป็นเป็นจริยธรรมเป็นคำใหม่โผล่ขึ้นมาใหม่ พระโซนนะพี่โเท่าพระบิธบาทมาแต่หมู่บ้านในระแวกได้อาหารพอสมควรก็มาเห็นนองน้ำอยู่ข้างอ ย, อยู่เชิงทุ่งอยู่ชายป่าน้องน้ำาต่นี่นมันงวดแห้งมันขอดแห้งเมื่อน้องน้ำมันแห้งมันมันงวดฝุงป่าก็ลาบากป่าก็ข่อนภพราะสาละว่าปา่าขอด ปลาเมื่บ่อนหนับหนักอยู่มันดิ้นรนอยู่กับเสือกระส่นอยแต่หาทางนี้รอดบางบางตัวก็หัวสุบไป็นคนบางตัวก็เสือกระส่นหาดูน้ำมันงวดแห้งเข่าก็เลยกลายเป็นขมทรัพย์ของนกกระดังงของงูท่านก็เลยเห็นว่าน้ำน้ำแหล่งนี้พอจะได้ฉันก็เลยนั่งปูอาสนะลงผานิศีธนะลงใต้ขนไม้ลิมหนองหนาวก็นั่งฉัน ตอนที่จะฉันก็ไปกวาดโคนออกทำเป็นแหล่งน้ำเล็กๆเรือว่าเหตุนำสั่งน้อยขานาะนให้มันซึมมาเพื่อจะได้กินเพื่อจะได้ดื่มหลังจากฉันในขณะที่นั่งฉันข้าวอยู่ตาก็มองไปที่หนองน้ำไปเห็นนกกระยางลงมากินปลาตีนหนึ่งก็ยืนขาหนึ่งมันก็กวาดกวาดน้ำหาปลาคนหาปลาคอยยาวมันก็ต้องตัวนี้พอมามันก็จับขาวกิน ตอ น, น้โผมมันมก็จับมันก็ข้าบจลินท่านมองหยุดหยุดถันเก้าวมองลกยกจิตอันนั้นขึ้นเป็นอารมณ์ของกรรมฐานโอนี่โยนิโสวิจเนธมังปัญญาจจถางวิปัสสติเมื่อสืบค้นธรรมถึงต้นเขาสืบสายไปถึงเหตุถึงผลแยกแยะออกมาวิเคราะห์วิจัยยกขึ้นมาวิจัยใ น, ในสินธรรมในเใใใจนจ ก็จะแต็งแจ้งในธทํานั้นด้วยโยนิโสมนัสิกาถ้าอะไรมองเอยไอ้นกไอ้่างนี้เหมือนพญานุมัจจุราชไอ้ตัวเรานี่เหมือนปลาไปปลานี่เหมือนเราจัสสารัตตาวิวาตในอายุอปะปรังศิจาวันคืนก็เคลื่อนคอยชีวิตของเราก็เลือน้อยเข้าทุกที่ทุกทีอเชวากิจมาตปัโก่ชัญญามละหนังสเว ใครนอจะรู้ว่าความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้ความตายของเราใต้ชีกมาเหมือนกนกกระยางกําลังจ้องจะกินปลาในในน้าที่มันง่นแห้งในขนาดนี้ยกขึ้นมาใส่อารมณ์วิปัสสนาเมื่อได้พูดมันก็พูดเองมันพูดเองในใจพูดจะออกเสียงเลยพูดไปไยังไงนกอยางกินป่านกอยางกินป่านกอยางกินปลาหายใจเข้าก็นกอยางกินปลาหายใจออกก็นกอยางกินปลาอ้าว พระพิษุลูกหนึ่งเดินทางสวนมาพระพิษุน่งกลุ่มของพระอนุรุ ธ, ธะก็มาได้บิณฑบาตเหมือนท่กันเหมืองมาเดินบิณฑบาตเหมือนกั น, ด น, เ, น, กนเดินทางผ่านมาเห็นหลวตาแก่นั่ ง, น, งนั่งไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรนั่งชั้นท้าวก็ไม่ชั้นนั่งเป้าบาตรแล้วมองไปที่นองน้ำแล้วก็พูดนั่งสวัสธิตัวต้องนกยานกินปลาหายใจเข้าหายใจออกก็นกยานกินปลา หาจะเข้ากนกยางกินตาหาจะออกกนกยางกินตาเอมาถึงมันหยุดฟังเอถพระองค์นี้น่าจะเป็นขโมยนู่นฟังนะกันดีนะขามงกันอย่างนี้นะอริยะชนอริยเจ้าขโมยทำวิ่งไหนหาอยู่หากินไม่ได้มามาปลอมบวชมาปลอมบวชพอได้เลี้ยงชีพเลยบ่าอุ ป, ปชีวิกาพิกขารุนพิกสุฟูโบวชมาเลี้ยงชีต บวมมีหนึ่หลายยี่ห้อนะครับบวชนะเมืออุ ป, ปามายากาบวจนมาลุ่มหลงนึกว่าตัวเองเลื่อนเลื่อนเออเอะไรดีโหลดมาเมื่อนี่ยศวาเจ้าของดีเลยยังมาที่ฝึกเลยฮมันเลือ่อนไปทางนอกดอกทำงาให้่ฝึกเลยฮักหนึ่งยศวาเจ้าของดีแต่จะหลงเพีาะนั้นจะเป็นอุ ป, ปามายากาบวจนมาลุ่มหลงว่าตัวเองดีแล้วให้แต่คนหนึ่งกาไปแล้วตัวเองมันไม่ตั้งใจไปพิจบัติอันนี้สืว่าอุปามายากา ทำไม อ, อุปกริลกาบวชมาเล่นกีฬานึนไปมาเล่นเห็นมูบวชลบวช น, วนมูมือซื่อๆนนะมูไปปฏิบัติธรอกไปนู้มืไปเล่นบวชเลย่างโง่ตังใจยังอกไปเล่นไปพ่อได้คะแนนนึ่กูไวจักอย่างนี้ก็เรียกว่าอุ ป, ปนิสรานาบวชมาเพื่อสลัดตอนออกจากกองทุกจากวัฏสงสารด้วยการปฏิบัติตาวริยมรรคมีองแบบปดปลายสิขาเส่กับปฏิปทาจรณะสิบห้า 15. อย่างนี้แทตนบบต่อการให้เราบวชอย่างนี้จึงสืบพรตะตาตนารักษาพระธรรมไปไหนทีนี้พระที่ผ่านมาก็เลยสรงใจว่าพี่สุแก่รูปนี้คงจะอุปัชีบิกาบวชมาเลี้ยงชีวิธทำ ม, มะเทนโกทำวินโยอุปชีบิกาบวชมาขโมยทำนี้บวชมาขโมยวป ไ, ไหนนี้เลี้ยงชีวิธหาอยู่ห า, หากินคงจะหาอยู่หากินไม่ได้ซะและ้วต้องเป็นคารวา มานั่งอยู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรมีอาหารใส่บาตแล้วมานั่งดูนกกยางดูสิไม่มีเรื่องไม่เลยไม่มีราวอะไรมานั่งพูดอยู่ได้คนเดียวมึงผีป่ะนกยางกินปลานกยางกินปลานกยางเพราะนกยางกินปลาเนี่ยฮะพ้่เภาอาหารวันนั้นพระองค์นั้นทำลายอาสวะให้ร่วงให้หลุดร่วงไปได้พอยกจิตขึ้นมาใส่อารมณ์แห่งแห่งกรรมฐาน เห็นว่านกอย่าง น, นี้เหมือนพระยามมจุราชตัวเรานี้เหมือนปลาในน้ําแห้งนํำน้ำํางวดมันกําลังจ้องกินเราอยู่ตลอดคีอัตถิเหตุก็ยิย่งเห็นภาพชัดไม่ได้พูดหอกมันออกมาเองมันเกิดเป็นอุฐานขึ้นมาเอออิ่มปลามมดนหะ่ครก็เลยพูออกมาว่านกย่างกินปลานกย่างกินปลานกย่างกินปลากินไปกินมาอาสวะกี่เรศปลอยรับอยูใ่ในหัวใจรูดร่วไปหมดไม่มีเลย เราจะอยู่ไปทำไมในเหตุปฏิทังนาสีนันนาสยามนันนาปตะคงเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่ก็ตามความตายนี้จะไม่เคยประมาทไม่เคยลืมเราเลยนั่งอยู่ก็ตายได้นอนอยู่ก็ตายได้ยืนอยู่ก็ตายได้เดินอยู่ก็ตายได้นั่งเคี้ยวหมากอยู่ก็ตายได้นั่งกินข้าวอยู่ก็ตายได้มันตาเราอยู่มือนนกกระดังกําลังตามกินตายอยู่ในน้าแค่ข่อนน้ำงวนแห้งนี่มันจะไปไหน ไม่ใช่ยืนอยู่ธรรมดาขายาวๆมาค้านเขาจะควานหาคนให้ปางงองขึ้นมากระซวกกัดกินเขาก็กยกมาเป็นอารมณ์มฐานว่านกยางกินปลาต้องอย่างกาในที่สุดอาสวะทางลามก็หมดไปสิ้นไปไม่มีความยึด ม, มั่นถือมั่นในชีวิตเลยเป็นพระอรหันต์วันนั้นพระพุทธเจ้ารู้ทนันทีเลยอยู่ที่เชตวันรู้โอ้พุทธสาวกของเราทํำอาสวะสิ้นไปเลยอีกองหนึ่ง ท่านจะรอรับพยากรพระองค์ที่ใหม่หนึ่งไปฟ้องก่อนเลยไปกรรมมบ ม, ะมะ๊อบพันเตฟะรวร่าคาแด่พระผูรร้มีพภาคเจ้าพูทเจริญไม่น่าจะเป็นไปได้เลยพิกสุกแก่องค์หนึ่งบวชมาเป็นขโมยหากินในภาษาศาสนานี้ธรรมเทธังโกรธรรมวินยโยอุปชีวากาอิทรรัสาสนังพิสุกแก่รูปนั้น บวชมาขโมยทำวิไไหนัยหากินเลี้ยงชีวิตในศาสนานี้เธอรู้อย่างไรเธอเห็นอย่างไรพิคุเธอจึงมาบอกเราข้าพระองค์เดินผ่านมาชายป่าเชิงทุ่งริมหนองน้ำมีพระพิสุแกแก่องค์หนึ่งนั่งเฝ้าบาทจอกจะกินก็ไม่กินดูดูดูในบาทไดยมีอาหารเยอะอย่นั่งพูดอยู่กับนกกระยัง ว่านกกระยางกินปลานกกระยางกินปลานกกระยางกินปลาอย่างนี้ผมเข้าใจว่าเธอบวชมาขโมยทำที่ไหนเพื่อเลี้ยงชีพเท่านั้นเองคําอื่นมีมากมายทาไมไม่เอามากล่าวพุทธพจน์ที่ประศาสดาสแสดงเป็นบ้าปว่าจะมาบอกเนนกน ก, นกเจ้ากินปลานกเจ้ากินปลาทํานะ น, น, น, นายขมดีข่มงาเนี่คือปบ า, ว า, ว า, า, าบาเถอะพระวิญญาณบาบาภิกษุเธออย่าเข้าใจผิดเธออย่าปักปําบุต ข, ของเราเลย ของเรานั้นเป็นผู้อุปนิสสาราประชิตรงบวชมาเพื่อตลาตัวเองออกจากกองทุกไม่จะบวชมาเป็นขโมยดอกเดี๋ยวเธอจะรู้พอฉันเสร็จท่านก็มาก่าวพระพุทธเจ้ามาเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องนอกอย่างหมดแล้วเมื่อรู้จะพูดอะไรมันพูดเองวะผมไม่ได้พูดอะไรเงี้ยขผมไม่ได้พูดแต่จิตมันปีที่มันปามุ่นเล า, ม, ามันเลยพ่องออกมา ถ้ากเลยสาธุอนุโมทนาสาธุการเรายินดีเราชื่นชมในปฏิปทาของเธอนะเฮ้ยคแล้วก็บอกพระโพธิสัตว์ตางอย่าปลอกปลอมเธอเธอทําอ า, าสวะให้สิ้นแล้วเธอยกสภาวะนั้นขึ้นขึ้นมาสู่จิตสู่ใจเป็นพื้นฐานเป็นกรรมฐานของเธอเป็นมรณ า, านุสติอันนี้เป็นที่มาของคําว่าบริกรรมเป็นปการพูดแต่พูดอะไรก็ได้ถ้ามันเป็นไปเพื่อจิตใจสงบและมีสติปัญญา อย่าไปเถียงเลยว่าจะว่ายุบหนอพองหนอพุทโทสมาลหลังหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าไปเถียงกันเลยแต่ต้องเข้าใจก่อนอื่นเราจะต้องผูกอารมณ์นุน่งบัญญัติาเพ่งจิต ด, ดูอารมณ์ในอารมณ์หนึ่งนั้นคือการผูกผูกจิตเมื่อเราจะฝึกสัตว์มาเลี้ยงเอามาใช้งานเอางูเอาคว า, ายมาฝึกใช้งานต้องผูกมันซะก่อน ถ้ามันโผกมันไม่ให้ฝึกมันวิ่งหนีมันเต้นสักัน ง, ง่งข่มบังคนเวลาพูดคำหนึ่งแม่ฟังม่าให้พูดบะขั้นสีไทยหน้าหาถามคั้วบางสักก่อนอย่าว่าขัคําำยากนะภาษาอีสานะาาานะภาษาเราค ว, วายนั่นแหละคาาลาือคั้วภาษาเราขั้นสีถายหน้าหาถามคั้วบางสักก่อนขั้นขัควพอมจะจูงเข่าใส่ไทยมันสิสักันงวงข่มขบงัมงเดี๋ยวมันก็ตาย ไทยเคสีหักขั้นเสียแสดงข้ามแหงถามคนฟังสะก่อนใครคนฟังบเบาผอมกุมเทพบาสิกินเจ้สิกินผู้ใดล่ะกินถึงผู้ฟัง ก, กินไปผู้เทพกินเจ้าเนยกินขอนําบัดเสีซ้ำกินน้ำกันถา้าไม่มีความเคารพต้องดูก่อนเอาหัวออกจากหัวหรือยังมาพร้อมกันหรือยังสงบงามหรือยังจึงพร้อมที่จะแสดงทำอันนี้ท่านบอก ตอนที่จะฝึกจิตไปใช้งานต้องผูกมันสะก่อนมึงผูกมอผูกควายงวควายอยู่ในในทุ่งในท่าถ้าเราไม่ผูกมันไม่ดิ้นนะมันก็หาห้กินดากกินตามทุ่วงตามท่าอมแงงอมแงงอยู่ทั้งแม่ทั้งโลกของมันแต่วันดีคืนดีไปไปจับผูกคอมันไปสนเขา่ามันมันจะดิ้นจนขี้แตกขี้แตงดิน้นถ้าเชื่อขาก็วิ่งนี้เลยถ้าหลักหลุดหลั ก, ลกถอนก็วิ่งนี้เลยจะ จะดิ้นดนจนจนเป็นบาดเป็นแผลเชื่อโฟกของมันก็เหมือนเรามานั่งสมาธิในขณะนี้แหละแต่ก่อนจีนเราไม่เคยโฟกนั่งอยู่บ้านจะจะคิดอะไรก็คิดจะจะกินอะไรก็กินจะจะไปก็ไปจะจะพูดก็พูดแต่มาที่นี่สองชั่วโมงหกปากไม่ให้โฟก์แล้วมันจะไม่คิดอะไรอะไรมันต้องคิดมันคิดแต่คือมันดิ้นมันปัดแปรมันกระบนกระบาดมันยังว่านหู้ถ้าเป็นสัตว์แดวไม่ผูกอยู่เดี๋ยวนี้เรากำลังโฟก เรจะผูกกิจไว้ก็อารมณ์ได้ผูกไว้ที่เราหมายจะเข้าหมายจะออกอย่ง่ายมันจะไม่ขาดผูกให้ฉลาดจะอยู่ง่ายถ้าผูกคอมันมันก็มีแรงเชือกเส้นใดๆก็ขาดถ้าผูกขามันก็ยังมีแรงอยู่ถ้าผูกเขาไม่ได้มีแรงมันพิสขาดคนฉลาดจึงแทงเข้าใมงกเนี่ยสนตะภายสนเขา้าทราบบำรุงอ่อนนี่ยจะผูกไง มานั่งเนี่ยมานั่งสนเข้าเจ้าของมันจะวางเนาะตัวรดตูตีสองมาสนเข้าเจ้าของสนเสีดังนี่ยวอยบึ๊กใส่เนั่งคิดก่อนคิดจะตรงนี้จะสนเข้าไอ้ตรงนี้เราจะไม่มีจากกลอมสมมุติป้าจิตเราเป็นงวเป็นฝายสติของเราเป็นเชือกที่จะผูกงวงผูกฝายเรามันจะเข้าไม่จะออกเป็นหลัก เป็นตอเป็นเสาหลักที่จะผูกเชื่อไว้มันจะคิดเมื่อคิดไปอย่าให้มันเชื่อขาดอย่าให้หลักถอนอย่าให้หลักมันคลอนมันหลดุดมันจะวิ่งหนีคิดไปแต่ฉันจะอยู่กับลมหายใเข้าหายใออกตัวนี้เป็นแบบธรรมชาติเดี๋ยกวก็จะได้เห็นนอกอย่างกินป่าแล้วบางท่านจะเอามาผกใส่ใส่หลักป่าหาจะเข้าว่าพูดหาจะออกว่าโทรพูดโทเอาก็นี่ แต่ในนกไก่ด่างจะได้เป็นเพราะอาหารได้เนาะบ า, ทานท้านมาผูกหายจะเข้าท้องป่องขึ้นพองหนอหายใจออกท้องยุบยุบหนอถ้าจะแปลเวลากว่าปุ้งหนอแวบหนอโดยวที่รูกก็ไม่ผิดนี่คือผูกแตลักบานท่างก็สมาลหังสมาราหังยาทะเลาะกันนะต้องเข้าใจว่าระบบนี่คือระบบผูก เมื่อผูกอยู่แล้วจริงะฝึกพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่ที่เกิดมานานเคยเจริญเติบโตตามท้องไร่ท้องนาเมืองกออาตมาเนี่ยคงจะเข้าใจง่ายแต่คนรุ่นใหม่จะคราบจะยากหน่อ ย, ยดูไฮเทคเทคโนโลยีไม่เคยเลี้ยงควายไม่เคยฝึกไถนาไถนามาเป็นเ น, น, น, นื้อนางตลาดยังไงบางคนอิสระเคยสืบทานาไปเลยเออแกเคยทำไปไถไปไปแต่ของแกข้ามไปเพราคือผููเขา ก่อนที่จะฝึกงอฝึกฝ่ายก็ต้องผูกซะก่อนเมื่อเราจะฝึกเจ็บต้องผูกเจ็บซะก่อนเมื่อผูกอยู่แลาจะจูงเป็นพัดเป็นซ้ายขวาเป็นแล้วก็ไปใส่ไถใสถ่เกวียนก่อนที่มันจะอยู่มันก็ต้องดิ้นรนกระวนกระวายเชื่อขาดได้ว่าวิ่งหนีหลักถอน เสาหลุดมันก็ฟิ่งหนีไปทั้งหลักทั้งเชือกทั้งเสาตามมาโขกไปก่อนที่จะให้มันอยู่ง่ายต้องทำมันคุ้นกับเราเสียก่อนตอนละผาพพ่อผ้าแม่มันมาใหม่มาผูกมันจะดิ้นเมื่อเชือกไม่ขลัหลักไม่ถอนมันไปไม่ได้บาดแผลก็เกิดขึ้นตามตัวที่ผูกมันมันก็นอนเมื่อมันนอนแล้วเจ้าของไปไปใกล้มันก็ลุกขึ้นยืนไม่ไม่ให้ใกล้เราก็เอาน้ําไปให้มันกิน เอาหารไปมักินตอนแรกมันหิวมันลุกขึ้นมันไม่กินดอกเอายาไปให้มันลุกขึ้น ม, มันจะดิ้นหนีพอเราเดินนี้มันก็ไปดมดมดมดมดมน้ําบังดมดมหยาบังโดนเรามองมาเห็นขอนก็กินเอาปากจุ่มกินจอดมี่แห้งเองมันก็เคี้ยวทีละคํำสองคำนานาเข้าเชิงเอมองยาหมดนานามาหายแต่นอกกัว่านี่เจ็คุณเลยนะเจ็ดคุณเลยนะ ตอนเรามาเห็นเจ้าของหาบดามันลุกขึ้นยืนเลยหิ้อยากกินแหงจะกินยาน้หลายไหลจกๆนางจะเราว่ามันจะคุณเลยนะเมื่อเราจะเรียนสมาธินี่แหละถ้านนั่งไปนั่งไปมันกดมันแก่นมันกวนกระบายเราถอนต่อไปอีกสักหน่อยเกิดความสุขพอยใจชี้มวนๆบาคือศีรษะอ๋อคือเช่นอะไรหนึ่งอยู่ศีรษะตอนนี้มันอะไรจะจะจะคุ้นมันกอะไรจะเกิดปามอดพัฒนาหรือว่าปามอด ท่านเกจได้ไม่ยากหรอกจะเกิดความพอใจขึ้นมาก่อนความสดชื่นขึ้นมาก่อนเป็นรสเป็นกลิ่นของสมาธิแล้วอย่ากนั้นก็จะดำเด้งละจะมีปีติน้ำตาไหลตาโม่เบิกปานสดชื่นน้ำตาไหลตัวโยกตัวคลอนตัวเล็กตัวใหญ่ตัวยืดตัวหดเป็นไปหมดนี่เป็กลุ่มเป็นกลุ่มของ ปิติจะเกิดมาจากป่าโมชและจะไปถึงปสัสสธิลืมเจ็บลืมปวดผ่อนคลายการลำงับจิตสงบแล้วจะเป็นความสุขนําไปสู่สมาธิก่อนหน้านั้นมันเป็นขบวนการข้ามาอย่างนี้มันจะต้องเริ่มโดยการดิ้นรนกวดแปลงแล้วจะค่อยๆสงบลงสงบลงเ ม, ม, ม, ม, มืองงวมเมืออขวายเมื่อเมื่อดิ้นไปหนักๆเข้ามาก็เหนื่อยเมือ่อเมื่อดิ้นเหนื่อยมันเป็นบาดเป็นแผลมันเจ็บ เอาหญ้าไปให้กินเอาน้ำไปให้กินใหม่ๆไม่อยากกินลุกพอเจอของไปเอายาไปเอาน้ําไปลุกขึ้นดิ้นต่อพอวางหญ้าไว้วางน้ําไว้ก็ดมๆแล้วก็กินกินไปกี่มาหลายครั้งก็ทีนี้นอนอยู่ดีๆเห็นเจอของหาบหญ้ามารีบรีบลุกขึ้นลุกขึ้นจะกินนะไม่ใช่ลุกขึ้นจะหนีนะทีนี้ลุกขึ้นจะกินเสียงมันคอดังขึ้นจะกินพอเริ่มกินหญ้ากินน้ําชินขึ้นมาบ้างก็ค่อยๆลุก จับก้นจับหัวรูปหลังบิ้นค่อยๆลูกค่อยคำนั่นน่ะเขาเกาหัวเกาเกาป้อนเกลือมันนั่นรับตามน่งหนึ่งหูต้ตอสอดฉันโต๊ะคู่ก็บจกค้ำงุ่งหั ง, งเธอลยได้เล ย, เ ย, ดดดดยล ไ, ได้เลยตอนนี้จะ้จูงไปเป็นไรู้ไปมตอนนี้เป็นอพูดเอาสุ่มเคยนะทีนี้ก็เอไปต้ึกจูงไปก็จูงง่าย พัดไปทางซ้ายทางขวาก็เป็นตอนนี้จะเริ่มจะฝึกได้แล้วแล้วก็ไป จ, จูงไปใสถ่ถ่ายเส่เกวียนมาช่วยกันจับกันฝึกแล้วก็ใช้งานได้การเจริญสมาธิภาวนาก็เหมือนกันผูกจิตให้มันอยู่สักก่อนเมื่อผูกจิตอยู่แล้วก็มาฝึกเมื่อฝึกเป็นแล้วก็ใช้งานผูกใจให้โย่ผูกใจโยง แล้วจีจะดูใจออกแล้วที่จะบอกใจได้แล้วที่จะใช้ใจเป็นเป็นวิปัสนาขั้นตอนผูกเป็นขั้นตอนฝึกสมถะขั้นตอนฝึกหัดเพื่อจะใช้งานเป็นการฝึกสติแบบวิปัสนาในระบบมหาสติปัฏฐานที่นี้บางท่านเคยฝึกเคยฝึกเคยโผลกมานานหลายพวกหลายชาติกลายเป็นวาสนาเมื่อล้มตาล้มตาโทนะ เมื่อพระไปฟ้องพระพุทธเจ้ากาบอกว่าเดี่องนี้จะชัดเจงจะแจ่มแจ้งเมื่อท่านมากล่าวท่านก็ชี้แจงพรอยากรถามท่านก็บอกว่าถ้าเห็นนกกระยางมงพยาญมัจจุราชเห็นปลาเหมือนตัวเองปลากับนกกระยางคอยกินกันอยู่ตลอดน้ำก็ขุวนแห้งเขาท้าเลยยกสิงนี้มาเป็นอารมณ์ ความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นก็อันตรธานไปที่ก็หลุดพ้นอาสวะหิจิตตังวิวเจียติที่ก็หลุดพ้นจากอาสวะท้งป ว, ว, วงเพราะความไม่ยึดมั่นกุยยากเลยว่าสาทุนี้เป็นวาสนาของเธอสุวาสนาปริปากาปรามิตาสาโุริยานังปริภูรเรินติบัดนี้วาสนาของเธออันดีงามที่อบรมมาแลว้ว จึงบมบา ร, รมีนี้ให้สุกงอมจึงพร้อมที่จะทำให้พรรยานี้ให้อุดมจะทำให้จิตหลุดพ้นได้คนมีวาสนาทำไมายากตอนนี้เราจะทำเพื่อคนไม่มีวาสนาที่เราพูดเี้งจะพาวาสนาไปให้สร้างวาสนาใหม่วาสนาเราอยู่ในมือของเราไม่ ต, ต, มนะต้องแล้วแต่วาสนาเหมือนรุ่งเพ็รแล้มสิงร้องนะอัสนาน้องก็แล้วแต่เรา ต้องเดือดขึ้นดำออกกอดอิ o อิอัลแอะไรแตกพระเจ้าอยู่ในมือของเรานี้ไม่ต้องรอพระยเจ้ารถยูนแคร์คันที่ผมนั่งมาเนี่ยเกิดมาจากว่าสนาของคนเจ้าของรถคันนี้ซื้อมาเขาอยู่ประเทศฝรั่งเศสเขาได้ฟังเทศในเทป ในคัเสเซดอย่างเดียวไม่เคยเห็นหน้าและเขาปฏิบัติตามเทปที่สอนรู้สึกว่าเขาดื่มดำล้ำลึกลงไปถึงอัปปนาสมาธิเขาจเจริญสมาธิพาวนาด้วยอาศัยฟังตามเทปไม่เคยมาประเทศไทยไทำไมนนะไม่เคยเห็นหน้าเมือ่อมาจะสมาธิรู้จักคุณค่ามากอาจารย์อยู่ไหนกราบมาตามตามลมตามแรงตามเดืนตามย า, มาถ้าอาจารย์อยู่ประเทศไทยขอกาวไปทางประเทศไทย แล้วก็เดินทางด้านด้นมาสู่ประเทศไทยไปตามหาอาจารย์เราไม่เคยเห็นได้ฟังแต่เสียงได้ทำตามได้ผลเพราะเขามีวาสนาเก่ากับผมนี้อาตมานี่ไปนั่งอยู่บนนูนอยู่ในโพรอยู่ในกอไผ่ในป่าทุ่งกระมังแต่ว่าเชยผมที่มีเสือมีช้างเยอะๆกำลังนั่งอยู่เขามองรถให้คนพาไปตามไปถึงไปเก่าแล้วก็ร้องให้โฮ จะไม่ได้พูดอะไรกว่าที่จะยุติการร้องห้อะไรจนหอบร้องให้พื่ความดีใจได้มาพบมาเห็นแต่ก่อนได้ยินแต่เสียงแล้วกรทําต่างแล้วก็ได้ได้พบผลที่แต่กระทานั้นตอนหลังมาสอนลูกลูกก็เป็นผู้วาสนาอายุเจ็ดปีเป็นผู้จญิงเห็นพ่อนั่งสมาธิทุกวันทุกวันวันนั้นได้เห็นแม่นอนหลับก่อนพ่อ ก็ลูกขึมาเรียกพ่อพ่อนอนเธอพ่อดึกแล้วแม่นอนแล้วพ่อนั่งทําไมพ่อนั่งทุกวันทุกวันพ่อนั่งเอาอะไรนอนเธอพ่อกอดพ่อปั้มพ่อให้พ่อนอนกับแม่พ่อแกะแก้มือลูกออกใล้ก็บอกว่านอนซะลูกเอ้ยพ่อกยังไม่ง่วงพ่อจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละเมื่อพ่อง่วงพ่อจะนอนดอกอย่ามากวนพ่อพ่อนั่งเอาอะไรเอามือผลักพ่อ ไม่เห็นพ่อได้อะไรนั่งทุกวันทพ่อบอกว่าพ่อนาวของดีพ่อนั่งยังมีความสุขเด็กมันก็เลยถามว่าไหนพ่อของดีมาแบ่งหนูบ้างซิหนูอยากมีของดีหมอจะหนูอยากได้ของดีหมอหนูจะมีความสุขถ้าพ่อมีพ่อได้ก็มาแบ่งลูกบ้างพ่อก็เลยตูงแขนลูกหมามาถ้าอยากได้ของดีอยากมีความสกก็มานั่งเอาเงินพ่อพ่อไม่ได้ซื้อดอกพ่อก็ได้ฟรีๆนั่นยังไงพ่ออยากได้ พอว่าเอาขาหมวนเข้ามาไปเจาขาลูกมหมุนเข้าม า, าลูกฝรัาา่งมันมันไม่เคยนั่งขัดสมามันนั่งแอีกพ่อเจอ้าขาวมวนหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆมีสติรู้จักเข้ารู้จักออกลูกถามว่าไม่ยาวไม่สั้นใดไหมพ่อธรรมดาได้แต่เธอต้องมีสตินะเธอก็เลยทําแบบสโสสตวะอัต ส, สติสตวปัสส ต, ส ต, สสติแบบธรรมชาติหายจะเข้าหายใจออกก็รู้อยู่ตรงนั้นน ะ, นะลูกนะ่ไหง แล้วเธอจะได้ของเด็กรู้เธอมีของจขคืนเดียวราตรีเดียวไม่ถึงชั่วโมงพ่อพ่อพ่อตัวอะไรตัวอะไรลอยไปลอยมาบางตัวก็มีหมวกบางตัวก็ไม่มีหมวกมันเห็นอะไรพ่อก็ไม่เห็นดอกแต่ลูกเห็นก็เลยคิดเอาเองว่าเอ๊มันน่าจะเห็นเทวดาไว้ยมีหมวกแหลมๆใส่เสดาก็เลยบอกลูกเอ๊ยอย่าวาตัวนะบาปนะ อะไรพอ่อตัวอะไรอย่าว่าตัวนั้นเทวดานะเทวดาหรือหรอนั้นเทกอดเทวดานั้นไม่ใช่กอดที่นี่พ่อบอกต่อไปจะบอกนะจะพูดนะถ้าเห็นอะไรก็ไม่ต้องพูดพูดนี้เขาพูดกันมันก็เงียบมันเชื่อฟังพอ่อไงสักพักเลยเอาอีกแล้วเอามือตะเกียบพอ่พอพอ่อมาอแล้วเยอะที่นี้บางตัวก็มีแสงบางตัวก็ไม่มีแสงแสงเืองแดงก็มีแสงเขียวเขียวก็มีแสงเลื้ยงเลี้ยงก็มีแส ง, งนวลนวลขาวขาวก็มี เอานู่นตัวน้นมาตัวใหญ่ไว้เพราะว่าอย่าว่าตัวซื่อมันจะบาปนั้นแม่กอดนั่นเลยเทวดาเขาพูดเจ้าบอกว่าเทวดามีแสงสงนะนานาวรรณาจเทวตาเทวดาทั้งหลายจะมีแสงมีสีต่างๆกันพ่อเลยบอกว่าอย่าพูดนะมันจะกวนพ่อมีอะไรคอยพูดพุ่งนี้ถ้าพูดวันนี้พ่อตีนะก็เฉยไม่พวดเห็นอะไรก็ไม่ปวด ในขณะนั้นพ่อคิด อ, อหลักธรรมพระพุทธเจา้าในบทธิ์ประเสริฐจริงหนอท่านแสดงมาสองพันกว่าปีแล้วอาจารย์ก็ไม่เคยเห็นพระพุทธเจา้าอาจารย์ของเราไม่เคยได้ยินเสียงพระพุทธเจา้าท่านก็ปฏิบัติตามแล้วก็นํามาสอน ต, อ ต, อต่อมาถึงเราเราไม่เคยเห็นอาจารย์แต่เราได้ยินเสียงอาจารย์เราก็ทําตามได้ผลเรามาสอนลูกก็ได้ผลนี่โอ้หกเจ็ดปีแล้วคิดถึงอาจารย์ไม่เคยเห็นอาจารย์ วันนี้อาจารย์อยู่ในอยูที่ไหนเราอยากไปหาอยากไปบอกก็ลูกเราเป็นอย่างนี้ถ้าอาจารย์คงคงจะดีใจกับเราเดือนนี้งานกําลังบ้างพรุ่งนี้เราจะไปลา ง, งานเราจะไปขอวีซ่าสถานทูตไทยบินกลับไปรประเทศไทยเราจะไปเยี่ยมอาจารย์จะไปเล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์ฟังผู้้นเถอะพ่อคิดลูกลก็รู้นั่นสมาธิมันเป็นอย่างนี้นะที่รู้ว่า ยาณทัศน์งปริลาภายะสมัมปติเจ้านำมาซึ่งยาณทัศนะความรู้ความเห็นบางคนเป็นได้ง่ายวาสนามีพ่อคิดรู้ก็รู้รู้ได้ยังไงเอกเ ต, ชตโชตนะทโหอภิยโยเมื่อจิตเป็นสภาวะอันเดียวอันเดแล้วจิตจะสว่างขึ้นมันมีอยู่สี่สิบสามสเปกมีสี่สิบสามสภาวะถ้าจิตเป็นเอกขะตา แบบหนึ่งสว่างกลางคืนคมันเป็นกลางวันเลยถ้าสว่างขึ้นจะรู้จะเห็นอันนี้จะไปที่มาแห่งยานทัศนะความคิดของคนอื่นก็จะเห็นมือนในเวลาความมืดเรามีประฉายเราใช้ไปที่นั้นเราก็เห็นเห็นตามแสงไฟสายแต่ถ้าจิตมีแสงจิตมันจะเห็นเห็นด้วยจิตปภัชละมิถภิกระเวจิตตังอาคารโุเกเซเห็อุปกิเลเซเห็อุปกิริถัง พิสุดทั้งหลายจิตนี้มีลำแสงสร้างไปแต่นิ่งจากกิเลสเป็นแขกโคโจรมาให้จิตนี้มืมนมนเศร้าหมองไม่มีแสงความจริงจิตทุกคนมีแสงผมเชื่อว่านั่งอยู่ตรงนี้แต่ต้องมีว่าคนแต่คนหนึ่งช่วระยะเศษขษาปฏิปทาจะมีเห็นแสงไวววประแบบแบบแต่สมาธิมีนิดหน่อยก็มีแสงหน่อยพลับแหมเอนฟ้าแท้ ถค่ว่าวิชูปมาธรรมมาธรามันเปรียบเสมือนฟ้าแรบวัชิรูปรมาธรรมมาธรามมันเปรียบเสมือนฟ้าผ่ามีนะถ้ามีสมาธิมากขึ้นสติสมัชัญญ่สมดุลกันพลิกมาเดียวแลเบิดต้มนี่วัชิรูปมาธระมมาธรามมาันเปรียบเสมือนฟ้าผ่าแต่อย่าเข้าใจว่าตัวนี้เป็นพระอรหันนะมันเป็นธรรมชาติธรรมดาของจิตต้องแตกต้องระเบิดบางคน เมื่อสมาธิดีๆขึ้นเพี้ยนในบาเครื่องนู้นเดีมันก็ระเบิดอารมณนันจะปฏิสังขารพังอจ่าอนุปัสติกเมื่อโยคาวจรเพียนเพ่งดูอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่จะเห็นความแตกไปความแตกไปของจิตอารมณนันจะปฏิสังขารพังคันจ่าอนุปัสติพังคันพังค้านไปว่าแตกแตกเต้ระเบิดถล่มทลายเหมือนทั้งฟ้าทั้งดินแต่มันก็คือเก้านั่นแหละอยากเข้าใจว่าเราเป็นพ่อรหันนั้นมันเป็นธรรมชาติของมัน เชื่อว่าสิฟันในเสขะปฏิปทาเนีจะต้องมีใครเห็นแสงบ้างละทีนี้ก็เห็นแล้วอันบากอนอาณาบริสตีน่ทำให้เห็นไหวนี่จะได้พูด ก, กันต่อไปเด็กคนนั้นมีวาสนาตื่นมาบอกพ่อเตรียมตัวจะไปโรงเรียนจะไปขึ้นรถให้รถรอรถรออยู่ที่หน้าบ้านคืนรถแล้วให้รถต่อแล้วกลับขึ้นมาหาพ่อ พ่อพ่อหนูไปโรงเรียนแล้วนะเอา้าเมื่อกี้ไปขึ้นรถแล้วเรามาทำไมให้รถเขารอเดจะไม่ทันโรงเรียนลูกก็เลยบอกว่าพ่อหนูไม่ทันโรงเรียนวันนี้ไม่เป็นไรหนูไปพรุ่งนี้แต่พ่อสิจะต้องรีบไปประเทศไทยเมื่อคืนนี้พ่อคิดว่าจะไปประเทศไทยเธอพ่อตกใจเออมารูเว้ยเราคิดเรามันก็รู้เราก็คิดจริงๆริงด้วยเออมันดูเว้ย ก็เลยว่ามันเรื่องของพ่อไม่ใช่เรื่องของเจ้าไปไปโรงเรียนไปไปวัยดีจะไม่ทันโรงเรียนก็เลยบอกว่าหนูไม่ทันวันนี้หนูหนูไปพรุนี้ก็ได้โรงเรียนยังอยู่ที่เก่าแต่พ่อนี่ยรีบไปประเทศไทยซะเตี้ยพ่อไม่ทันพ่อก็เลยว่ามันมันเรื่องอะไรของเธอต่อมาเจ้ากี้เจ้ากานให้พ่อไปประเทศไทยเมื่อคืนพ่อขี้จะไปประเทศไทยใช่ไหมพ่อขี้จะไปเยี่ยมอาจารย์ใช่ไหม พ่อก็เลยเฉยมันเรื่องของพ่อจะไปเราเรียนไปๆอาจารย์ป่วยอยู่โรงพยาบาลป่วยหนะักไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดปีที่ป่วยวันวันที่ป่วยวันแรกอยู่โรงพยาบาลอุดรพ่อเลยบอกว่าปากเสียนอนอยู่ปารี้รู้ได้ย่งไรว่าอาจารย์ป่วยอยู่ประเทศไทยเคยไปประเทศไทยไหมเขาบอกว่าหนูอยู่ที่นี่แหละมันไม่เคยไปประเทศไทยต่อไอ้เพืมีแสงไม่มีแสงลอยไปลอยมามันบอกเมื่อคืนนี้อาจารย์ป่วยไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดหรอืออาจจะตาย พอก็ตกใจไล่ลูกไปโรงเรียนสแ ล, ล้วก็รี่ประลังงานมาประเทศไทยมาวันนั้นก็พอดีอาจารย์ป่วยอยู่โรงพยาบาลไปร้องให้หอหอดังที่สดุดยโรงพยาบาลเกิดหมอห้ามไม่ได้หมอต้องให้มาพบเขาห้าไมไให้คนพบแต่หมอนี่ยเขาพบตายด้วยความร้องให้ดังไปพ้นแล้วก็อาจะมาย่งเทศในฟั่งนะ่ะการะดา จ, จะตายอย่างเทศอยู่นะมือเกาะขอเตียนลุกขึ้นมานั่งถังทําน้ำมูกน้ํำลายทั้ง น้ำหูส์น้ำตานั่งก็ไม่อยู่มันจะลม้มเพราะเส้นเลือดแตกใ น, นสมองแล้วก็เทศผู้บรรถูกภาษาบอกว่าทําใจซะทำใ จ, ใจให้สบายสงบหาใจให้เลือ่อๆเขาเป็นปกติอันนี้ไม่ใช่ความหวายนะถาดุนของชีวิตดอกความเจ็บไข้เดิป่วยยังมีความตายรออยู่เดี๋ยวพอพ้นจากป่วยจะกไข้มันยังจะตายทําใจให้สบายนะเขาบอกว่าผมรู้ว่าอาารปลอบใจผมแต่ผมทํำใจไม่ได้ยิ่งร้องให้ใหญ่ก็เก่า ควักเงินมาเก้าหมื่นบาทวันนั้นถวายทันทีให้อาจารย์ผมขอถวายไปค่ารักษาพยาบาลแล้วผมขอลากลับดูสิคนที่ไปมาร้องให้แล้วก็กลับมึง <c oughs> คุกกล็กกลับไปยังไม่ได้ว่าอะไรกัเลยเอาเงินถวายไปเก้าหมื่นกลับไปเป็นค่ารักษาพยาบาลไปถึงเครื่ปงนนักเคเคียจะมาใส่บล็อกเครืบินส่งขึ้นมาผมต้องกล่าวลาท่านอาจารย์พร้อมดึงน้ําตาหนองหน้าผมไม่สามารถจะทนดูอาจารย์ตายไปต่อหน้าได้ ผมคิดว่ายังไงอาจารย์คงไม่รอดท้ายจาก ร, รอดก็ต้องอาา่านต่อไปผมร้องไห้เพราะผมเสียใจมากผมราะอะไรจะเข้าสูส่สูนสูตธรมอาจารย์ก็จะตายจากผมไปแล้วและผมร้องให้ดีใจอาจารย์อยจะเข้าใจผิดว่าผมดีใจว่าอาจารย์ป่วยผมดีใจที่ลูกผมมันรู้เรื่องเล่าเรื่องลูกให้ฟังโอตอนหลังมารถคันนี้ป่วยมาแปดเดือนอาจจะมาออกมาจากโรงพยาบาลถึงแม่เท้าได้แล้ว เด็กคนมือมานั่งสมาธิมันบอกพ่อพ่อพ่อใหอาจารย์เดินได้แล้วนะถึงไม่เท้าซื้อบุญแชร์ไปถวาะอาจารย์จะได้บุญเดกคนอื่นจะซื้อก่อนปล่าไปหนุพี่น้องทาำเมริกาได้โัวทำเมริกาเราล้วมเงินส่งมาจะซื้อแต่ไอ้หมอห น, นี้มันฝังเสียเชื่อลูกซื้อมาก่อนเลยสองคันคันก่อนอาจจะมาไปถวายพระอีกองหนึ่งนี่เป็นคันคันสุดท้ายคนนี้เขซื้อมาได้สองคัน ลแล้วเรานี้เกิดมาจากวาสนาของคนเด็นไม่ใช่วาสนาอาตมาอีกต้นปีที่ผ่านมาคุณยายจากวิสคอนซินซื้อมาคันแหญ่กว่านี้ล้อดีกว่านี้ล้อใหญ่ใหญ่อาตมาก็ไปถวายตอบพระไปรามาพานเหมือนกันอีกอนึงอยู่คำตะกา้าแต่ว่าได้วุ่นมันมีความสุขแก่เมื่อใดทําให้คนเด็กมีความสุขด้วยอันนี้เรามาฟังเขาจเจริญสมาธิง่ายๆบางคนเพราะเขามีวาสนาวาสนาคืออย่างที่เราทําในขณะนี้แหละ มันจะต้องเป็นวาสนาเป็นกตาธิกาตกาตาธิการหแปลว่าการกระทําอันยิ่งที่เคยกระทามาแล้วกลายเป็นวาสนาสุวาสนากาตาธิการังปริปากังปรามิตาสาภุริยานังปริภูเรนติเมื่อวาสนาดีงามแล้วจะกลายเป็นอธิการอธิกาทำมาแล้วจะบ่มบาลมินิให้สุดอมแล้วก็พร้อมที้จะทำให้โพธิยานี้อุดม อา้าเรามาดูวิธีเมื่อเราทําอย่างง่ายๆคือเพียงไปดูลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องว่าอะไรไม่ต้องสร้างไม่ต้องอยากบางท่านนะท่านที่มีวาสนานะลองลองลองเสี่ยงวาสนาดูว่าสนาเราจะมีไหมถ้าทําแล้วมันสงบง่ายหลับตาไปก็สว่างเหมือนกับกลางวันเรื่องเรืองขึ้น